มีเจตนาอย่างเดียวเป็นหมนหมวดที่8ภ <mar> ิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความหายโรคเพื่อทดลองและเพื่อความสุขเพื่อทดลองและเพื่อปัญญาเพื่อทดลองและเพื่อเป็นทานเพื่อทดลองและเพื่อเป็นบุญเพื่อทดลองและเพื่อบูชายันเพื่อทดลองและเพื่อจะไปสวรรค์ พิสูจนงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อสืบพันธ์น้ำอาศัยกิเคลื่อนต้องอบัดสังขาธทิเศษ